ขปจรพร้อที่จะให้คําตอบความเจ็บปว ด, ดวรวายแรงอย่างแสนสาหัสจากว่าเป็นปวดหรือทุกข์เป็นทุกข์สิท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่ามารดาขณะที่ให้กําเนิดแก่บุตรนั้นได้รับความเจ็บปวดหรือไม่ได้รับความเจ็บปวดเจ็บปวดมากทีเดียวท่านผู้เจริญมารดาของขปจราให้ฟังเสมอถึงความเจ็บปวดของท่านในขณะที่ให้กําเนิดขปจรท่านบอกว่ามีมความเจ็บปวดใด จะเข้าทียมกับการปรวดท้องจะคลอดบุตรข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับท่านพระเคยเห็นผู้หญิงหลายคนส่งเสียงร้องคนข้างและดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าสงสารในขณะจุดจุดคลอดถูกแล้วอุบาสกเมื่อความเจ็บปวดเป็นทุกข์และมารดาได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่บุตรเกิดความเกิดก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดไม่มีเพียงแต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดยังแสนสาหัสเท่านั้นมนนานดาเป็นอันมากต้องสิ้นชีวิตเพราะการให้กําเนิดแต่บุตรท่านผู้เจริญบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นแล้วว่าชาติความเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยางไรข้อที่จะพึงกล่าวยังมีอีกอุบาสกเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ยอมรับไม่ใช่หรอว่าความแก่และความตายเป็นทุกข์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 ลดลงอย่างประหลาดอีกด้วยถ้าทาไม่ได้พรในการเดินทางวันพรุ่งนี้ข้าจะอยากจะสนทนากับท่านอีก สมาธิตามที่เคยปฏิบัติมาทุกวันรุ่งสวางก็ออกจากสมาธิแผ่เมตตาจิตอันไม่มีประมาณไปยังสันติในตายทุกหมู่เหล่าแล้วก็ทำสรีรกิตล้างหน้าเมือ่อได้เวลาก็หอมจีวรซ้อนสังขาติสภายมาเดินไปตามถนนในหมู่บ้านเพื่อพิคขาจานหยุดยืนก้มหน้าชั่วสี่สอง ที่หน้าบูบ้านแต่ละหลังช่วงระยะเวลาอันพอสมควรขอให้คนในบ้านมองเห็นถ้าเขานิมนให้คอยรับพัฒนาหานก่อนก็หยุดยืนคอยต่อไปถ้าเขานิมนให้ไปโปรดทึ้นหน้ า, าก็เดินต่อไปอย่างบ้านถัดไปแต่ถ้ายืนเป็นเวลานานคนในบ้านเห็นแต่ไม่มีใครออกป่ากมีมนหรือให้ไปก็จะรู้ได้ทันทีว่าบ้านนั้น เป็นพาหะชนนอกอาคุตศาสนาชาว น, นั้นได้พัฒหาเพียงเล็กน้อยเพราะประชาชนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นสาวกของศ า, ศาสดามหาวีระผู้ตั้งตนเป็นปรปักษ์ของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าประชาชนได้รับคําสัง่งไม่ให้กระทําสามีพิกรรมแก่นักบวชนอกศาสนาและไม่ให้บํารุงนักบวชเหล่าอื่น ด้วยปัจจัยสี่จึงได้มีคนใจบาทน้อย ทำพัะกิจต่อไปจลุลพลกำลังทำอะไรขลุกอยู่ข้างลังบ้านพอเห็นเขาก็หอบอาหารพรุงพปังเข้ามาน้อมถวายข้าพเจ้ารีบตื่นแต่เช้าและไปเชื่ออาหารมาทำเตรียมไว้ถวายของท่านส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าส่วนขออนุโมทนาในกุศลและเจตนา ทำพัสดุกิจเสร็จตุจลพลรับอวบานไปล้างเช็ดแล้วนำมาเก็บไว้ที่เดิมนักว่าเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดมีน้ำใจงามทีเดียวท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าใครจะฟังท่านบรรยายเรื่องทุกข์ตอไปอีกท่านยังต้องการฟังเรื่องทุกอีกเหรออุบาสกถูกแล้วท่านผู้เจริญในราตรีที่ผ่านมาท่านบรรยายถึงสภาวะทุกข์อันเกิดจากชาติชราและมรณะ เมื่อเราแยกกันไปพักผ่อนหลับนอนแล้วข้าพเจ้ายัางนำเรื่องทุกข์ไปคิดอีกจงกระทั่งใกล้สว่างจึงได้หลับ <c oughs> แปลกมากท่านผู้เจริญแปลกอะไรเลอยอุบาสกไม่ได้เั้เรื่องทุกข์จากท่านและนำไปพิจารณาเพิ่มเติมจนเห็นความแพ้ที่ยตนเองข้าพเจ้ารู้สึกสบายขึ้นมากทีเดียวทุกเป็นของธรรมดาประจำชีวิตทุกคนจะต้องได้รับอยู่เป็นประจำไม่มีใครพ้นไปได้เมื่อก่อนข้าพเจ้าหวาดกลัวทุกข์รังเกียจทุกข์ และแต่คําว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินเทพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยมความทุกข์ริษยาพยายามทําตัวให้มีความสุขทุกเมื่อหลีกเลี่ยงวาจาไม่พูดถึงทุกข์หลีกเลี่ยงดิจใจพยายามไม่คิดถึงความทุกข์แต่บางทีก็พยายามหลีกเลี่ยงก็หนีไม่พ้นต้องประสบเข้าจนได้เมื่อประสบเข้าครั้งแรกมันหนักหน่วงรุนแรงจนแทบตาชีวิตไม่รอดกีเดียนอุบาสกเอ้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 ความทุกข์ด้วยวาจาล่ะทา่านผู้เจริญพระองค์ทรงสอนให้ทําความคุ้นเคยกับทุกข์โดยวาจาโดยให้หมันสนทนาธรรมอันตรารบทุกเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ความดับทุกยังมีความทุกข์ข้าใจอีกอย่างถุกแล้วพระองค์ทรงสอนให้ทําความคุ้นเคยกับทุกข์ด้วใจโดยการคิดถึงทุกต่างๆ มีชาติชราพยาธิมรณนะเมื่อบุคคลสามารถพิจารณาเห็นพุกอยู่มือเนืองย่อมเกิดความเคยชินกับทุกข์รู้จักหน้าตาของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นจริงๆย่อมไม่ขวัญเสียไม่ตกตะลึงไม่หวาดกลัวเมื่อไม่เสียขวัญย่อมมีกำลังใจและปัญญาสำหรับหาทางแก้ทุกข์ด้วยอุบายอันพอ สามารถนำตนพ้นทุกไปสู่ความสวัสดีได้เพราะฉะนั้นการได้จักคุ้นเคยกับทุกแทนที่จะเป็นโทษกลับเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ขนาดที่พเจ้ารู้จักทุกจากท่านเพียงสี่อย่างข้าพเจ้ายังรู้สึกสบายใจที่เทียนี้ถ้ารู้จักครบทุกชนิดคงจะสบายขึ้นมากทีเดียวขออนุโมทนท่านบรรยายทุกประการต่างๆต่อไปเถิคราวนี้ก็ทุกประการที่ห้า เรียกว่าสันตาประทุกเป็นทุกข์ทางใจอาการใจร้อนรุ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายเพราะถูกไฟกิเลสต่างๆเผาเอาเช่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงปุถุชนพี่ยังมีกิเลสย่อมถูกกิเลสอย่างใดอย่างหนึง่งเผาหลน่นจิตใจอยู่เสมอไม่มีเวลาว่างเว้นถ้ากิเลสมีกาลังน้อยก็ร้อนรอนน้อย ถ้ามีกำลังมากก็ร้อนโดดเมากท่านเองก็เคยถูกกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเผามาแล้วไม่ใช่หรอือถูกแล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยถูกไฟกิเลสเผามาแล้วยังจําได้ดีถึงวันที่ข้าพเจ้าชมรูปโฉมของปัตถมาวดีเป็นครั้งแรกที่ท่านังหลังจากนั้นทแล้วข้าพเจ้าก็กลับมาและนอนคิดด้วยจิตใจอันเร่าร้อนด้วยราคะจงกระทั่งนอนไม่หลับที่เดียดนั่นแหละ คือสังญาปะทุกละตามปกติเมื่อบุคคลผู้อันราคะโทสะโมหะอันนี้หมายถึงกำลังแรงครอบงำแล้วย่อมกระทำความชั่วความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้กายบ้างว่จาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทำความชั่วแล้วย่อมได้เสวยผลทุกข์อันเป็นผลของการชั่วนั้นนี้เป็นความทุกข์ประการที่หกเรียกว่าวิ ป, ปากทุก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 เดือมนาจความโกรธเกิดความสงสารพาดคนนั้นอย่างจับใจมีหนำซันยังถูกบิดาด่าซะอีกทุกคราวนั้นทะเลาะก็ประชานอนไม่หลับตลอดคืนทีเดียวดูก่อนอุบาสกในกรณีนี้เื่อบุคคลถูกความโกรธความหลงครอบนำแล้วเขายังจะเกิดขัดแย้งกับคนอื่นหลังจากนั้นความเดือดร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่าย อันกุดเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาส น, นั้นก็เกิดขึ้นจัดเป็นทุกประการที่เจ็ดเรียกว่าวิวาทมูลกัตทุกวิวาทมูลกัทุกถูกแล้วอาตมาเชื่อว่าท่านเองก็คงเคยประสบทุกชนิดนี้มาบ้างแล้วเคยประสบเสมอท่านสมณะ ข้าพเจา้าเองพยายามที่จะไม่ทะเลาะวิวาสกับใครถึงเพืนั้นก็หนีไว้ที่จะมีศัตรูสัตรูของข้าพเจ้าจะเป็นบุตรคณหบดีคนหนึ่งในจำปานคร น, นี่แหละและเป็นชายหนุ่มอายุนิ่งราวคราวเดียวกับข้าพเจา้าเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเป็นศัตรูกันถูกแล้วท่านผู้เจริญก็มันเรื่องอะไรละ่ะถึงได้เป็นศัตรูกันขัดใจกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการค้าเขาเลยไม่พูดกับข้าพเจา้า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 ข้าพเจ้าพอจะเห็นด้วยแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าลาบยศสรรเสริญสุขจะเป็นทุกได้อย่างไรข้อดีสมควรนะที่ท่านจะสงสัยเพราะสวนมากปรารถนาลาบยศสรรเสริญสุขเมื่อได้ลาบยศสรรเสริญสุขสมปรารถนาก็มีความสุขใจแต่ท่านก็ไม่ควรจะเลยว่าลาบ ก, ก็ดียศสรรเสริญ ส, สุขก็ดีที่เราได้มานั้นมันเป็นอนิจจัง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 จึเปรตเสมือนบุรุษอาศัยเรือรั่วข้ามฟ้าเขาจะต้องเสียเวลาปิดดูรั่วไม่ให้เรือจมจนลืมความสุขสำราญแต่ในที่สุดเรือก็จมลงก่อนถึงฝั่งแย่จริงๆเพราะเหตุนี้ลหละพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าแม้ลาบยศสันเสริญสุขก็ขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เช่นเดียวกัน เที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ท่านพอจะมองเห็นแล้วหรือยังท่านพูดถูกต้องทีเดียวข้าพเจ้ามองเห็นอย่างชัดแจ้งล่ะถ้าพิจารณาเพียงผิวเผินจะเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขให้แต่สุขอย่างเดียวแต่ถ้าพิจารณาให้รอบคอบก็จะเห็นว่ามันนำอดทุกมาคู่กับสุขด้วยข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ขอเึิญท่านบรรยายต่อไป ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ดังใจหมายบางครั้งเราจําต้องพัดพรากจากบุคคลที่เรารักแม้เราจะไม่พลาดจากเขาเขาก็พลากจากเราดังที่ท่านพัดพรากจากปัตถามาวดีบางครั้งเราก็พัดพรากจากสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่เรารักเราชอบใจเมื่อเกิดความพัดพรากแล้วความเสียใจโศกเศร้าก็เกิดขึ้น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 ผูกของท่านผู้เจริญมนุษย์ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของตันหาย่อมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอลำพังความอยากที่เกิดขึ้นเขาหลนจิตใจให้เร่าร้อนกระวนกระวายนั้นก็นับว่าเป็นสัญญาประทุกถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการสมความปรารถนาก็พอจะเป็นสุขขึ้นมาบ้างแต่ถ้าไม่ได้สมความปรารถนา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 ทุกประการที่เก้ากุฎทุชนทุกคนผู้ยังมีรักมีเกลียดมีความหวังยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากทุกประเภทนี้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์เต็มแผ่นดินก็ไม่มีทางพ้นจากปกินนักทุกดูก่อนอุบาศกยึดกลาโดยสรุปแล้วร่างกายอันประกอบด้วยขันทั้งห้านี้ก็คือก้อนแห่งความทุกข์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 ข้าพเจ้าได้ฟังท่านบรรยายทุกสิประการอย่างละเอียดจบแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งท่านเกิดความคิดอะไรข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตทั้งหมดนี้เป็นก้อนแห่งทุกข์เมื่อคี้ท่านพูดว่าชีวิตทั้งหมดเป็นก้อนทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมจุลพลถูกแล้วท่านผู้เจริญเป็นกระบวนการนา น, านๆเห็นทุกข์ ไม่มีเวลาใดที่จะว่างเว้นจากความทุกข์แต่ข้าพเจ้าก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรมีคนบางคนในโลกนี้บอกว่าตนมีความสุขตนกำลังสุบวยสุขเขาพูดเช่นนั้นอาศัยอะไรเป็นเหตุอาตมาเคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันว่าบอกคนชื่อนั้นๆเปล่งอุทานออกมาว่าตนมีความสุขแต่ถึงสอบสนดูตามความเป็นจริงแล้วหาที่เป็นเช่นนั้นไม่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 เมื่อนไมันเป็นของธรรมดาข้าพเจ้าก็เลยไม่เอาใจใส่กับมันทําให้สบายใจขึ้นนี่คือประการแรกและประการต่อไปลนะ่ะประการที่สองให้ทราบภาษาั้นชนทุกคนในโลกแบกทุกสิบกล่องไว้เท่าๆกันหมดทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเบาใจขึ้นมว่าตอนไม่ได้ทุกคนเดียวแต่มีเพื่อนเ พ, อนเพ่อนทุกเต็มโลกตอนไม่ใช่รายพิเศษที่เคราะร้ายกว่าคนอื่นๆมีหน้ำซ้ำดังดีกว่าคนอื่นอีกหลายคนทีเดียว เพราะข้าพเจ้าสูญเสียปัมาวดีคนเดียวแต่นางปตาจาราเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งวิดามานดาทั้งพี่ชายทั้งเคหสถานบ้านเรือนเมื่อีได้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทุกข์ของตนเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หนักหนาอะไรเลยเกิดความสบายใจท่านยังมีความต้องการที่จะคอบระบรมศาสดาอยู่หรือไม่มีอยู่ท่านสมณบรข้าพเจ้ายังไม่กลับบ้าน จงกว่าจะได้เข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมเทศนาจะเพราะพระพักพระศาสดาข้าพเจ้าเชื่อ น, นั่นว่าถ้าได้ฟังพระธรรมจากพระองค์ความทุกข์ของข้าพเจ้าอาจจะหายไปหมดสิน้นเพียงแต่ได้สนทนากับท่านที่งเป็นสาวกของพระองค์อย่างบรรเทาทุกข์ได้อย่างมากมายถึงเพียงนี้ถ้าสมมุติว่าเวลานี้พระองค์ยังประทับอยู่หนนครอื่นไกลแสนไกลท่านจะทํำยังไง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 ข้าพเจ้าจะคอยพระองค์อยู่ที่กรุงราชคฤติจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาข้าพเจ้าคงไม่สามารถเดินทางไปถึงนครโกสัมพีได้แน่เพราะข้าพเจ้ายังไม่ชานาญในการเดินทางไกลมีประการหนึ่งถ้าข้าพเจ้าเดินทางไปถึงกรุงโกสัมพีอาจจะไดิทราบพระองค์ก็ได้ทําไมาถึงคิดว่าไม่ได้ทราบพระองค์แต่พระองค์อาจจะเสด็จไปที่อื่นซะก่อนที่นครราชคฤติข้าพเจ้ามีญาติอยู่ตระกูลหนึ่งข้าพเจ้าจะไปพักอยู่ญาติคอยจนกว่า พระบรมศาสดาจะเสด็จมาท่านคิดชอบแล้วอุบาสกในระหว่างที่อยู่กรุงราชคฤห์ถ้าท่านมีเวลาขอจะ้ฟังคำที่พระเวรุวันวิหารพระเทวทัตตามหาเถระเจา้าผู้เป็นญาติของพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นรางทีท่านอาจจะได้รับประโยชน์จากท่านมากท่านละ่ะท่านสำหรับหลังจะมีแล้วท่านจะไปไหนอัตมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปเรื่อยๆแต่คงไปไม่ไกลจากบริเวณกรุงราชคฤณักเพราะอาตมาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเทวมิตรคขาหาพดีแห่งกรุงราชฤท์ว่าจะอยู่แถวแถวนี้อาตมาตั้งใจจะร่อนแรงไปในนิคมต่างๆถ้าพบสถานที่อันสบายก็จะพักบำเพ็ญเพียรนานๆถ้าไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆ ช่วบรรเทาทุกข์ของตนเองและเช่อยบรรเทาทุกข์ของคนอื่นที่พบเห็นในระหว่างทางรู้สึกว่าชีวิตของท่านเป็นชีวิตอิสระเสรีน่าจะมีความสุขสนุกสบายดิขปตะชายชอบชีวิตแบบท่านใชหะหรือไม่ขปตะจะขอติดตามไปกับท่านด้วยท่านจะกัดข้องหรือไม่ ไปด้วยท่านจะขัดข้องหรือไม่อย่าเลยอุบาสกอย่าไปเกี่มอาตมาเลยทำไมละ่ะท่านสมนัะชีวิตเขา อ, อาตมาอาจจะโบน่าสนุกแต่ถ้าทำจริง